พยายามภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิแต่ละวันแต่ละเวลาหาเวลาให้ตัวเองให้มากในการทำสมาธิถ้าจะทําสิ่งใดก็พยายามตกลงกันว่าควรจะทําสิ่งไหนรีบทํารีบเสร็จจะไปทําให้พั่มเพื่อเรื่อรังเออเล่เฮยลอยลมพูดคุยกันไม่รู้จักจบเสียเวรำ่ำเสียเวลาว่นนั้นการจะทําสิ่งใด คอยตั้งกฎกันไว้ว่าเราจะทํายังไงช่วยกันมากน้อยแค่ไหนสิ่งเหล่านี้ก็ขอให้พวกเราตั้งก ฎ, กฎกติกากันขึ้นจะให้หลวงพ่อออกไปสั่งอย่างนึกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นฝ่ายพระของเราก็เช่นเดียวกันแบ่งการทําการทํางานตอนเย็นมาเราควรจะทํำยังไงองค์ไหนจะไปดูของน้ำํำของช่วงของพระทําความสะอาดยังไงมากน้อยแค่ไหน ผู้ที่เป็นหัวหน้ารองจากผมลงไปเนี่ยละดูอย่าไปเฉยเมยไม่ได้นะถ้าเห็นผมเฉยแล้วย่างเฉยไม่ได้นะพวกท่านทั้งหลายหน้าที่ของผมนะีคืออันหนึ่งนะพวกหน้าที่ของพวกท่านก็คือดูแลวัดวาศาสนาที่รองลงผมจากลงไปอันไหนควรจัดอันไหนควรทำอย่างไรเป็นหน้าที่ของพวกท่านทั้งหลายจะต้องดูแลจะต้องลงมือประพฤติปฏิบัติปล่อยปละละเลยไม่ได้นะ เพนั้นสิ่งไหนควรจะดูแลก็บอกส่วนผมมีแต่แนะนําสั่งสอนท่านเองพูดจะปฏิบัตินั้นต้องดูแลควบคุมกันอีกทีหนึ่งเหมือนกับทางรัฐบาลก็เขาพูดออกมาแล้วจะให้เขาลงมาเดินดูทุกแห่งทุกหนจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงมันเป็นไปอย่างง่ายไม่ได้เมื่อบอกออกมาแล้วสั่งออกมาแล้วสอนออกมาแล้วหน้าที่ของพวกท่านทั้งหลายปฏิบัติยังไงปฏิบัติได้ไหมหรือไม่ได้ทาปฏิบัติตนไม่ได้เอาบอกมา ไม่ได้เพราะตรงไหนเพราะเหตุใรนี่ก็เหมือนกันนะให้เป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายทุกองนะแบ่งกันในการทำการทำงานองค์ที่ไม่ทำการทำงานการรันดูเอออยู่เฉยเฉยชายชาอย่างนั้นไม่ได้นะอยู่สังกตายเป็นวั น, วนๆใช่ไม่ได้เราไม่ใช่เป็นพระอย่างนั้นถ้าว่าเป็นพระอย่างนั้นไปเป็นครวญก่อน ยิ่งแย่กว่านี้อีกเพราะนั้นมาอยู่ใกล้ชิดพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าบัณฑิตนักปราชคือพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคือบัณฑิตนักปราชดขนาดมาอยู่ใกล้บัณฑิตนักปราชดยังทำตัวไม่ดียังเฉยเชยแฉยังอยู่ชังกระตายเป็นวันๆใช้ไม่ได้ถ้าเป็นคราวญก็ยิ่งแย่ใหญ่อีกไปไม่รอด เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายควรปรปับปรุงแก้ไขกายวายาจใจของเราให้เข้มขวดขวดขันนะอันนี้ก็คือเป็นการกล่าวย้ำเตือนพวกเราท่านทั้งหลายให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนี่แหละถามว่าพวกเราเตรียมพร้อมตั้งตนตั้ ง, ต, ง, ต, งตัวอยู่เสมอช่วยกันดูเป็นหูเป็นตาตาเห็นให้คิดควรจะทํำยังไงมากน้อยแค่ไหน ที่เป็นศีลเป็นธรรมเป็นธรรมวินัยหูได้ยินฟังปฏิบัติตรงมือทำใจให้สำเนียกสำนึกใจ ต, ตรองเหตุและผลมันอยู่ในกรอบหลักธรรมวินัยอย่างไรหรือไม่อยู่ตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนหรือไม่ในเมื่อท่านห้ามสิ่งใดก็าตามหยุดะทําทำสิ่งนั้นถ้าลอง ห้ามตัวเองไม่ได้ไม่ควรจะอยู่ให้ท่านหนักใจเราอยู่ไปเพื่ออะไรอยู่ไปหามงคลมาหามงคลอะไรมันมีแต่อปปมงคลมีตหายยนะนาที่จะมาสู่ตัวพวกท่านทั้งหลายไม่เกิดประโยชน์เพราะนั้นสิ่งใดก็ตามถ้าว่าปฏิบัติตัวไม่ได้เราจะอยู่ไปทำไมสอนไม่ได้เรียนไม่ได้แล้วจะไปอยู่ทำไมอยู่ชังกระตายไปทำไมเพื่ออะไร สิ่งเหล่านี้ให้พวกท่านทั้งหลายเตือนตัวเองนะอันนี้ผมบอกแนวแถวเท่ า, า น, นั้นอนะ่ะเอเหมือนกับเราเข้าเรียนมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนใดก็ตามในเมื่อเราไม่ได้ตั้งอกตั้งใจเรียนอยู่ชังกระตายไปอย่างนั้นเป็นขยะของโรงเรียนอโรงเรียนเขาต้องการไหมครูบาอาจารย์เขาต้องการไหมเป็นยังไงตัวเองไม่รู้ตัวเองแต่คนอื่นอ้วกจะแตกพอแรงเอเพราะฉะนั้น สิ่งเหล่านี้ให้สํานึกสำเหนียดตัวเองพยายามฝึกหัดดัดตัวเองให้อยู่ในกฎในระเบียบของหลักธรรมพินัอยอนี้แหละถ้าว่าพวกเราทําตัวอย่างนี้ได้เป็นผู้ไม่เชื่อชินเชื่อชาต่อกฎระเบียบต่อหลักธรรมพินัยความเจริญรุ่งเรืองก็จะเข้ามาสู่พวกท่านทั้งหลายในระดับเป็นระดับระดับจนเป็นหัวหน้าขึ้นมาเมื่ อ, อไหร่เมื่อนั้น พวกท่านทั้งหลายจะภาคภูมิใจอย่างมากว่าพวกเราปฏิบัติมาคงเส้นคงวาปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยตามธรรมคาสั่งสอนของครูบาอาจารย์ที่ท่านอบรมแนะนําสั่งสอนเพราะดังพวกท่านทั้งหลายให้พยายามนะที่กล่าวมาทั้งหมดอันนี้คือหมวดของศีลศีลคือรักษากายวายจิจาให้เรียบร้อยสมาธิพยายามทําจิตให้สงบอย่างที่พูดเมื่อเช้านะ่ย หน้าที่ของพระคืออะไรหน้าที่ของพระคือพระพุทธเจ้าให้ดูใจทําสมาธิพระพุทธเจ้าได้ตัดรู้ตัดรู้ธรรมตัดรู้เรื่องอะไรพระองค์ทำอย่างไรพระองค์ไปทําไล่ไถนาจนได้สําเร็จอย่างนั้นใช่ไหมพระพุทธองค์ไปก่อสร้างจนได้สําเร็จอย่างนั้นใช่ไหมพระพุทธองค์ไปปกครอง คนในถิ่นนั้นเข้าอกเข้าใจจนได้สำเร็จใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธองค์ไปอยู่ตามลาพังพระองค์พิจารณาไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาทำจิตให้สงบนั่งสมาธิทำทุกอย่างมีการเพ่งมีการใะทุกอย่างสรุปแล้วก็คือให้ดูใจของพระองค์เองในเมื่อดูใจของพระองค์เองแล้วใจพระองค์ทาจิตให้สงบ เมื่อจิตของพระ อ, องค์สงบได้ฌานในญาณทัศนะปุกเพในวาสานุสติญาณ น, น่ะได้จากไหนได้จากความคิดของพระ อ, องค์เองรู้ด้วยพระ อ, องค์เองรู้ด้วยใจของพระ อ, องค์เองไม่ได้รู้มาจากทางนอกรู้ในใจของพระ อ, องค์เพราะฉะนั้นหลักที่แท้จริงในภาคปฏิบัติแล้วให้ดูใจเพราะนั้นท่านจึงว่า เมื่อฉันบิณฑบาตแล้วเรียบร้อยแล้วหาที่สงบนั่งขัดสมาธิทำกายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกภาวนานี่แหละหลักเบื้องต้นสำหรับผู้ปฏิบัติการอย่างอื่นนั้นคือเป็นส่วนประกอบการอยู่ร่วมกันก็ต้องมีกิ จ, จวัตรข้อวัดอันนั้นคือส่วนประกอบ แต่หัวใจจริงก็คือภาคปฏิบัติจิตภาวนาอันนี้หัวใจของพระกรรมฐานหัวใจของผู้มาประพฤติปฏิบัติอยู่ในป่าดวงพงภัยอย่างนี้นั่นแหละคือสนามรบที่ให้รบจุดใหญ่ในภาคปฏิบัติคือพระกรรมฐานคือจุดนี้ให้พวกเราให้รู้จักนี่แหละสมาธิหลวงพ่อไป โคดอยู่ที่ปากช่องที่สวนป่ามีคณะสัทธา ญ, ญาติโยมจากกรุงเทพเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเกือบทั้งนั้นที่มาร่วมปฏิบัติธรรมสรุปแล้วก็คือท่านอยู่กับครูบาอาจารย์ฝึกหัดมาหลายสำนักเพราะงั้นจากนั้นก็มาร่วมกันมารวมกันมาเข้าคอร์ส ปฏิบัติเป็นเดือนเดือนเดือนหนึ่งปีละครั้งสองสามครั้งตามความเหมาะสมตามความว่างของแต่ละคนชักชวนกันมาปฏิบัติธรรมหลวงพ่อวากหาได้ยากนาหาได้ยากชาวพุทธของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ทรงคุณวุฒิไม่ใช่ผู้ธรรมดาขั้นนายพลเหมือนหลายคนเมือนั้นนายพลทหารอากุงอากาศนายพลทหารบกจนอดีตผู้ว่าการรถไฟ คณะนายช่างออแพทย์พยาบาลแพทย์ก็หลายคนแต่เราก็ไมา่ได้ซักไซต์แายเดียงสรุปแล้วก็คือผู้มีผู้มีระดับที่มาปฏิบัติถึงห้าหกสิบกว่าคนแต่นี่เจ้าของเขาก็ว่าผมไม่ได้ชักชวนออกเป็นหนังสือแล้วว่าเชิญไปตามที่ต้องการคือข่าวนี้แค่แค่มาบอกกล่าวไปซะก่อนเพื่อความสมัครใจจะได้ รู้ว่ามีมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าต่อไปภายภาคหน้าผมอาจจะมีหนังสือเชิญไปในกลุ่มต่างๆท่างว่าท่านผู้ใดอยากจะมาประพฤติปฏิบัติในสวนป่าของผมผมก็ยินดีเจ้าพาเขาเลี้ยงเอาหงอาหารหสามมือทีเดียวที่พักพาอาศัยก็สะดวกสบายในหลวงพ่อไปดูนะสบปายะว่า ง, งั้นเถิสำหรับผู้ปฏิบัติผู้มุ่งหวังอัตธรรมในระดับคารวะเหมาะสมว่า ง, งั้น เว้นเสียแต่พอเข้ามาแล้วก็ปล่อยศึกมวยฝีปากต่อกันอันนั้นก็ว่าไม่เป็นแหละน้าลายท่วมไปหมดไปที่ไหนพร่ามไปหมดอันนั้นมันก็ช่วยไม่ได้ไเพราะฉะนั้นถึงจะ ส, สถานที่ดีขนาดไหนก็เถอะมันไม่ดีกับคนถ้าคนไม่ดีเข้าไปในสถานที่ใดมันก็ไม่ดีเป็ น, นมอมมงคลไปด้วยอย่างวัดของเรานี่ก็เถอะวัดของเราเป็นสถานที่เหมาะ ในการทําจิตภาวนาหาความสงบแต่พวกเราเข้ามาอยู่มีแต่หาเรื่องวุ่นวายมาใส่เรื่องนั้นบทเรื่องนี้เรื่องนี่บทเรื่องนั้นเรื่องไม่เป็นตาเรื่องก็หามาใส่วัดของเรามันจะสงบได้ยังไงเพราะคนเข้ามาอยู่มันไม่อยู่ในความสงบไม่ว่าแต่วัดเราที่ไหนๆก็เช่นเดียวกันนั่นแหละมันอยู่กับคนทั้งนั้นแหละถามว่าคนเข้ามาอยู่แล้วทําตัวให้เป็นคนดีอยู่ในกรอบ อยู่ในความสงบสงัดนั่นแหละอยู่ที่ไหนเป็นมงคลทั้งนั้นแหละในที่นั่นก็เหมือนกันคืนแรกพระงพ่อก็ได้พูดอธิบายธรรมะในภาคปฏิบัติสรุปแรกก็คืออธิบายเรื่องศีลศีลห้านะี่เป็นศีลของใครเป็นศีลของฆราวาสนะไม่ใช่ศีลของพระนะฆราวาสเนี่ยคือใครโยมผู้ชายโยมผู้หญิงนั่นแหละนี่แหละคือฆราวาส พระพุทธเจ้าบัญญัติสินห้านี่บัญญัติให้สองคนเนี่ยแหละคือโยมผู้ชายกับโยมผู้หญิงแล้วพวกเราล่ะที่เป็นครว่าต์มีศินห้าหรื อ, อยังได้สินห้าอย่างที่พระพุทธเจ้ามอบความไว้วางใจหรื อ, อยังถ้ายังไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังอยู่ห่างพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นควรศึกษาให้เข้าใจศินห้าสินแปดอันนี้คือศินของครว่าต์ศินสิบคือสินของสมรเณา สินี่สิบคือสิลของพระสงฆ์พระสงฆ์จะไปทิ้งให้ยาิโยมก็ไม่ได้คือหน้าที่ของพระสงฆ์ก็คือศินสองรอี่สิบอันนี้คือคุณงามความดีสําหรับพวกเราพุทธบริษัท4ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติศีลธรรมให้แก่พวกเราประพฤติปฏิบัติท่านมองเห็นแล้วว่าถ้าว่าผู้ขาดศินมากๆเป็นยังไงสมณครขาดสินเป็นยังไงญาติโยมขาดสินเป็นยังไงสมณเณรขาดสินเป็นยังไงไม่ต้องพูดถึง แย่มากเละตุ้มเปหาความดีไม่ได้เพราะสินหยาบหยายังรักษาไม่ได้ส่วนทำละเอียดกว่านั้นจะรักษาได้อย่างไรถ้ามีสิวก็ต้องมีทำถ้ามีทวก็ต้องมีศินถ้าขาดสิลแล้วจะมีทำได้อย่างไงเพราะนั้นสิลและทำเป็นของคู่กันเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลา่ให้ดูศินให้เรียบร้อยจากนั้นก็มีทำ และมีเขามีโยนพอต่อมาหลวงพ่ออธิบายเรื่องศีลจบล้วกสมาธิพยายามทำจิตให้สงบทำจิตให้เป็นหนึ่งแต่บางคนก็ได้ถามก่อนหน้านั้นว่าจำเป็นมากไหมที่จะต้องนั่งสมาธิก่อนหลวงพ่อวล่าเรื่องสมาธิเป็นสิ่งจำเป็นสำคัญอย่างยิ่งสาหรับผู้ปฏิบัติ เว้นเสียแต่ผู้ปฏิบัติพวกคิปปัญญาผู้รู้ไรเร็วก็ไม่จำเป็นจะต้องมีสมาธิหรือว่าเคยฝึกสมาธิมาจนช่ำชองแล้วมาฟังทางด้านปัญญาก็ไม่จำเป็นจะต้องฝึกหัดเรื่องสมาธิแต่ถ้างว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรจากนั้นจะไปฝึกหัด ทางด้านวิปัชนาปัญญาเลยโดยมากมันจะตะคุบเงาตัวเองนะตะคุกเงาตัวเองเพราะสติของเราไม่เข้มแข็งเราไปพิจารณาทางด้านปัญญาเลยนะโดยมากมันเป็นสัญญาสังขาร น, นำหน้าเพราะฉะนั้นพวกเราท่านท่างหลายให้รู้จักตัวเองถ้าเราเน่ยเป็นขิปปิญญาหรือว่าท่านทาปัญญาพอในครั้งหลวงพ่อก็มีคนถามญาติโยมเคยถามหลวงพ่อเหมือนกัน ผมอยากจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอันตัวเด็ดๆนะตัวสุดยอดพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้สอนให้สุดยอดที่ได้สาเร็จมรรคสาเร็จผลอยากจะฟังจุดนั้นในพระไตรปิฎกในพระธรรมมีไหมเพราะว่าทันทาปิญญารู้ได้ช้าคิด ป, ปะปิญญารู้ได้เร็วเพราะนั้นผมอยากจะฟังดูที่พระพุทธเจ้าเทศเที่ว่า รู้ได้เร็วนั่นอ่ะอ่ากาสรุปแล้วก็คือว่าเข้าไปเจ้าหน่มหัวดีหัวใสไอ้ปัญญาเก่งปัญญาดีไอ้จะไปพูดอะไรให้เพียนน ร, น, รา น, าน้ำนู้นให้พิจารณานี่อยากจะพิจรารณ า, าตัวที่ตักมักตักผลทีทเดียวเลยนะนะพูดง่ายๆนะแต่เขาก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่ลักษณะไอะ้การพูดลักษณะนั้นหลวงพ่อก็เออเอาฟังอ่ตั้งใจฟังหลวงพ่อจะ นำคำทาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเล่ามาเล่าให้ฟัง เ, เราเนี่จะเป็นขี ป, ปะริภันท า, าสมัยหนึ่งในครั้งพระพุทธเจ้าของเราท่านพายะทารุจริยะที่ว่าได้รับเอธะทะคะจากพระพุทธเจ้าวะ่ะ ได้ฟังพระธรรมคำสั่งสอนของผู้เทธเจ้าสาบาทพระคาถาคือความเข้าใจเพียงสามคำท่านก็ได้สำเร็จพระอรหันต์แต่ขอฟังประวัติของพูดประวัติให้ของท่านให้ฟังซะก่อนเพราะพระพุทธศาสนานี่ไม่ใช่เกิดมาชาติเดียวแล้วกระจกไม่ใช่อย่างนั้นที่พระพุทธเจ้า ว, ว่าปุเพนิวาสารุสติยานรละลึกชาติผลหลังได้ แสดงว่าพระเทเจ้ามีหลายพบหลายชาติต่อต่อกันมาอดีตชาติมีร่วกี่กี่ชาติต่อกี่ชาติชาติทีชาติไหนทำคุณงามความดีก็มีชาติที่ทำความเสียหายก็มีมีมากมีน้อยต่างกันในแต่ละชาติบางชาติก็มีตตะคุณประโยชน์จะมากแต่บางชาติก็ทำความเสียหายมากอันนี้เป็นต้นแต่ท่านพายาธารุจริยะเนี่ยในชาติที่แล้วท่านเป็นพระในพระพุทธศาสนา ในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัจจปะคือในพัตตะกรบนี้มีพระพุทธเจ้าอยู่ห้าพระองค์กกุสันโธกูคุสันโธโกณคมโนกัจจโปโคตโมอริยาเมตตโยอริยาเมตยนองค์ที่ห้าเนี่ยยังไม่มาตรัสคือพระศรีอริยะเมตรัรหรือพระศรีอา น, นยังไม่มาตรัสพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยโคตโมองค์ที่สมเนี่ยวะกัจจโป องที่สองเข้าไปโกณคมโนองค์ที่แรก ก, ก็กุกุสันโธกโุกุสันโธโกณคขมโนกัจโปโคตโมกัจโปนี่แหละเขาพระไตรจ้าอายุยืนถึงสองหมืนปีเนี่ยพระสงฆ์ในยุคนั้นยุคสุดท้ายเนี่ยเนี่ยคงจะทําอะไรออกนอกดูนอกทางอะไรก็ไม่รู้แหะพระห้าองค์ก็เลยว่าเอาเถอะพวกเราไปภาวนาในดงในป่าเถอะวะ อ่าไปตายดีกว่าเล่งความภาคเพลียนเลยอย่าไปยึดมั่นอะไรในร่างกายเอถึงจะอยู่ยังไงอีกสักวันหนึ่งมันก็ตายอยู่แล้วร่างกายก่อนที่จะตายก็ทําประโยชน์ให้มากที่สุดอะจะไปห่วงมันทําไมพยายามทําความภาคเพียนให้มากที่สุดพยายามสอแสวองหาทางพ้นทุกข์ให้ได้ใกล้ที่สุดอถึงจะไม่พ้นทุกข์ก็ให้เดินเข้าใกล้ที่สุดนะ คือความมุ่งหวังของพระทั้งหรูปจากนั้นก็มีความคิดเป็นเอกฉันในห้าองค์นั้นจากนั้นก็เดินเข้าป่าโด่งพงไปไปเห็นภูเขาลูกหนึ่งเป็นแท่งรูดีขึ้นไปสี่เหลี่ยมขึ้นไปเลยเนมะ้น่ะเป็นภูเขากลมขึ้นไปจากนั้นพระสงฆ์เหล่านี้ก็คงจะเรียนทางวิศวกรรมมาก่อนมั้งท่านก็เลยหาไม้ไผ่แห้งๆไม้ไผ่เข้ามามัดหลายๆ ล, ลำเอาเชือกมัด อะไรมัดมัดมัดขึ้นไปต่อขึ้นไปมัดขึ้นไปต่อขึ้นไปเป็นบันไดแต่ว่าคาดึะเผาเหมือนกับคนหาลังนกั้งแอ่นอย่างนั้นน่ะแต่นี่ท่านหาทับเหมือนกันข้าศึกเผาขึ้นไปบนยอดเขาคาดกขึ้นไปขึ้นไปไปถึงยอดเขาจริงๆริงบันไดขึ้นไปพอถึงเสร็จแล้วก็ปรึกษากันบเอา้าพวกเราขึ้นมาถึงยอดเขาเรียบร้อยทั้งห้าองค์แล้วใครจะลง ใครจะลงมีใครลงไหมคือถามกันก่อนใครจะลงไหมบอกว่าไม่ลงถ้าไม่ลงผักบันไดนะเอาพักก็พักผักบันไดหาไม้คำ้ำพักบันไดคล่ำลงเลยพอบักบันไดลงที่นี่ก็ใครจะลงล่ะท่านี้ลงไปว่าหัวเด่งลงเหว่เลยท่นี้เพราะมันชันเออเหมือนกับเป็นแท่งขึ้นไปจากนันเอาหาที่สงบ ของไข่ของเราตายลูกเดียวข่าวนี้ะนะไม่เป็นอย่างอื่นน้าก็ไม่มีอาหารก็ไม่มีถ้าใครองค์ไหนได้ชานเหาะได้แล้วก็องค์นั้นก็ได้ฉันะอะอองค์ไหนไม่ได้สําเร็จก็เหาะไม่ได้ก็ไม่ต้องฉันไปหามุมสงบของไข่ของเราแต่นี้พระทั้งห้าองค์ก่หามุมสงบของไข่ของเราละทีนี้ นั่งภาวนาลูกเดียวเลยว่างั้นเถอะที่นี่ตายตายตายพิจารณาอะไรที่ได้รับการอบรมสั่งสอนมากับเพียรนาดูจิตใจของตัวเองอนิจจังภูกขาหงอนาตานดูการกระเพื่อมของจิตไม่ได้คิดอะไรทั้งหมดว่างั้นเถอะพอคืนที่แรกผ่านไปองค์หนึ่งได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ตอนเช้าไปบิณทบาตเหาไปกินบิณทบาทได้ นำอาหารขึ้นมาขึ้นมากระถามหมู่อีกสี่องค์อา้าวผมไปได้เลยนะขอให้มวลมาฉันผมจะจัดอาหารเลี้ยงแล้วก็ทําความเพียรต่อพระสงฆ์สี่องค์นั้นก็บอกว่าอา้าวพวกเราได้ตั้งกติกากันขึ้นไว้ไว่าอย่างไรถ้าองค์ไหนฉันไม่ได้ไม่ไปไม่ใช่เหรอใช่ตั้งพูดกันว่าอย่างนั้นเอาถ้างั้นท่านฉันจ้ะเพราะท่านไปได้พวกเรายังไม่ฉันยังไม่กิน ยังไม่ทานยังไม่ดื่มอา่พาพ์นั้นก็บอกเออขอให้พวกท่านทั้งหลายตั้งอกตั้งใจภาวนานะพวกเราทํามาในถูกทางแล้ว่ะที่แลนเตอรับการศึกษามาถูกทางแล้วผมไปแล้วนะครับนิมนท่านองค์นั้ น, น, น, นก็เหาะไปเลยต่อมาสองค์ก็นั่งภาวนากันคืนที่สองต่อมาองค์หนึ่งได้เป็นพระอนาคามีเหาะได้อีกอา่าไปบินทั บ, บาทได้กลับมา เพืจะมาเลี้ยงหมูหมูไม่จัดองค์นี้ก็พอห่อได้องค์นี้ก็ไปอีกเป็นพระนาคามียได้เพราะจากหลังเขาไปได้ยังเหลืออยู่สามองค์ท่นี้ภาวนาอย่างไงอย่างไงย่ง ไ, งงไงภาวนาอย่างไงเพราะมันยังไม่ถึงขั้นตัวเองใช่ไหมจะได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลผลที่สุดก็เลยตายบนหลังเขาทั้งสามองค์ตายในนั้นเือนกั น, นคือเล่งความเพียรอย่างเต็มที่ตายพอตายเสร็จแล้วก็ไปสู่สวรรค์ จากนั้นในศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราก็มาเกิดเลย อ, องหนึ่งถ้าจะไม่ปิดกว่าพระจุนทะ อ, อ, องค์หนึ่งเรียว่าพระกุมารกัจจปะหรืออะไรแต่องค์หนึ่งเนี่ยองหนึ่งองค์งงที่ว่านี่พายยะทารุจริยะเนี่ยองที่จะกล่าวถึงเนี่ยแต่สององค์นั้นก็ปวดมาได้อายุเจ็ดปีก็ได้สําเร็จเป็นพระรหันต์แต่พายยะทารุจริยะเนี่ย เกิดขึ้นมาแล้วท่านเป็นหนุ่มแล้วก็คงจะเกิดในตระกูลพ่อค้าเรือเดินทางต่างประเทศแบนั้นแต่ที่ท่านก็อยู่ในเรือเป็นพ่อค้าเรือเดินทางต่างประเทศเดินเรือใหญ่เรือสะเพา์แต่ตอนนี้ท่านเดินไปกลางทะเลเรือสะเพาแตกพอเรือสะโพะแตกตอนนี้ท่านก็ได้ไม้กระดานแผ่นหนึ่ง พวกลูกเรือทั้งหลายก็ไม่ต้องว่ากาันไปยังไงที่ไหนแต่ท่านสำหรับพายะนี่ได้กระดานแผ่นหนึ่งก็ลอยคอในมหาสมุทรเสื้อผ้าชิ้นไหนที่มันติดตัวมันหนักแกออกถอดออกยังเหลือแต่เสื้อผ้าธรรมชาติตั้งแต่พ่อแม่ให้เกิดมางั้นกัชิ้นอื่นไม่มีติดตัวเลย เ, เป็นชีเปเลยอะไรแบบนั้น ก็พยายามกระเสือกกระสนน้าทะเลมันก็ซัดเข้าฝั่งอยู่เรื่อยเลยเอ่อซนะัดเข้าฝั่งซัดเข้าฝั่ ง, งพุนันท์ชูก็เลยมาเห็นฝั่งเข้าใกล้ฝั่งน้ําซัดมาเรื่ อ, อยๆจนถึงฝั่งอ่าฝั่งเขาเรียกว่าฝั่งต้นกลุ่มหาดต้นกลุ่มเหมือนงั้นเถอะหาดทะเลต้นกลุ่มกลุ่มที่พวกเรากินยอดมันอะเออตอนนี้กขึ้นมาเลยตอนนี้คนทั้งหลายเห็นพายยะแก่ผ้าใช่ไหมไม่มีเสื้อผ้าโอ้ท่านทําไม มีมีเสือ้อมีมีผ้าเลยอันนี้แหละคือพระละหันกว่านเนี่ยไม่มีฮิริโอตตปักไม่มีความละอายไม่ละอายในตัวเองปล่อยวางหมดแล้วนี่แหละคือพระละหันที่แท้จริงเลยจากนั้นเขาขอหาองอาหารมาให้กินเลยท่านก็ได้ทานอาหารเออทําอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันวะไม่ต้องหาอาหารอยากประสาแก่ผ้าเฉยๆยท่านก็เลยแก่ผ้าไม่มีผ้านุง่งจัดชิ้นติดตัวไนอ่า แต่เนี่นคนถ้าร้ายไก๋คนน่กกะก็มากราบคนเด็ ก, กรมา ก, กาบยกย่องเชิดชูว่าเป็นพระหลานตัวเองเลยเป็นพระหลานไปเลยทีนี่อ่เป็นพระหรหันา์ภายะไปเลยอยู่ที่ชายหาดนั่นแนหะใครมากับพูดพุดพมพุมพ่มพำมพมไปงั้านั้นเอยแสดงตัวว่าเป็นผู้พิเศษอย่างนั้ น, นะ แ, ต น, น, น, นแต่ทีนี้นก็ร้อนไปถึงเพื่อนบน่เพื่อนผู้ได้สําเร็จเป็นพระอนาคามีองค์ที่สองนั่นแนหะแต่องค์ที่แรก ไปแล้วนิพพานไปแล้วไม่มาเกี่ยวข้องแล้วแต่องค์ที่สองไปเป็นพรมเ เ, เป็นพรมสุทาวาท้าชั้นอภิหารพตาทุศรัสรู้สีกนิฐานี่อยู่ในชั้นพรมเอมองดูโลกว่างั้นเถอะเพื่อนของเราไปยังไงวะก็เห็นมองเห็นพระพาหิยะเป็นชีเปลือยอยู่ทรายหาท่านก็นึกเมตตาลงมาพอลงมาเท่ายั้งอยู่ในอากาศ พ อ, อยั้งอยู่ในอากาศท่านกรถามมาาหยะท่านก็รู้แก่ใจว่าท่านไม่ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์แต่ท่านก็ประกาศว่าตัวเองเป็นพระอระหันต์ถ้าพูดอย่างนั้นโกหกอย่างมากนะเต็มประตูนะถ้าว่าท่านยังไม่ถอยถ้าเม่พิจารณาตัวเองนรกนะ่าเป็นเครื่องอยู่นะคราวนี้ขอให้ท่านองป ร, ปรับปรุงแก้ตัวใหม่เพราะพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกเดี๋ยวไี้อยู่กรงสวัสถี ให้ท่านไปศึกษาเนั่ยนะนะนั่นหลักคือพระอาหารหันต์ให้ทั้ง อ, อกตั้งใจแนละ้วท่านจะได้สําเร็จนะท่านอยู่อย่างนี้ไม่ได้นะผิดนะท่านรู้แก่ใจไม่ใช่หรือท่านไม่ใช่พระอรหันต์พายะได้ยินเพื่อนที่เป็นพรหมเป็นเทวดาอยู่บนอากาศเตือนเกิดสํานึกสําเนียกได้อย่างแรงออมีฮิริคือความละอายโอุตปาคือความกลัวต่อบาปขึ้นมาในหัวใจในขณะนั้น ก็เลยหาเสื้อผ้านู่พอได้เสื้อผ้าเสร็จเรียบร้อยแต่งตัวเรียบร้อยเลยก่เดินทางเลยล้วท่นี้เดินเดินเดินไปทั้งวันทั้งคืนเลย sog. เหมือนด้วยอนุภาพบารมีของท่านเดินไปถึงกรุงสาวรรถีในวันรุ่งขึ้นเลยเหมือนกันแต่ว่าไกลนะพอไปถึงวัดป่าเชตะวันพระพุทธเจ้าก็ไปบินท่าบาทพอไปบินทบาทท่านก็เข้าไปในวัดนะป่ปาเชิตะวันพ ก็ถามพระสงฆ์ว่าท่านครับพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่ไหนพระสงฆ์ก็บอกว่าขณะนี้พระพุทธองค์กำลังบินทบาตกับพระสงฆ์อยู่ที่กรุงสวัรถีแต่พวกเราบินทบาทสายอื่นกลับมาก่อนอีกไม่นานนะนะพระพุทธองค์กับพระสงฆ์จะเสด็จกลับมาที่วัดป่าเชตตะวันท่านภายยะก็บอกว่าอีกนานไหม พระสงฆ์ก็บอกไม่นานโอ้ผมคอยไม่ได้เพราะชีวิตของผมไม่เที่ยงแท้แน่นอนถ้าหายใจไม่เข้าก็ตายหายใจไม่ออกก็ตายเพราะนั้นผมคอยไม่ได้เพราะชีวิตของผมไม่เที่ยงแท้แน่นอนท่านก็ไปเดินทางออกจากวัดไปเดินไปตามถนนไปเห็นพระพุทธเจ้ากำลังบินทาบาทกับพระสองฆ์อยู่พอแลเห็นพระพุทธเจ้าท่านเอง เพราะแต่ก่อนชาติที่แล้วเนี่ยท่านก่อได้บวชเป็นพระเนี่ยอุปนิสัยเก่าแก่ของท่านยังมีอยู่เพราะท่านได้เห็นพระพุทธเจ้ากัสสปะมา ก, ก่อนแล้วแต่มาพบในชาติที่ท่านได้เห็นพระพุทธเจ้าโคตมะพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เกิดปีติอย่างแรงเหมือนกันเถอะปีติคือความอิ่มใจอพอเห็นพระพุทธเจ้าเกิดปีติน้ําตาล่วงไหลเลยทีนีอปีติท่วมท้นหัวใจเลย เข้าไปกราบพระพุทธเจา้าพระพุทธองค์ก็เดินบินธบัตรเราไปยกมือไหว้กราบขอพระพองค์กระผมมาจากทรายหาดทะเลเะต้นกลุ่มขอพระพองค์แสดงทำให้ข้าพระองค์โปรดข้าพระองค์ด้วยเทินพระพุทธองค์มองเข้าถึงหัวใจของภายยะภายะเนี่เป็นผู้มีปิติ ล, ล้นพ้นถึงจะพูดให้ฟังก็ไม่ได้ยินมะ ง, งั้นเพราะปิติมันปิดกั้นหัวใจ ปีติมันมากเกินไปคือความอิ่มใจมากเกินไปจนไม่สามารถปัญญาไม่สามารถที่จะได้ฟังหรือสังเกตหรือว่าเข้าใจในที่พระธรรมที่พระพุทธเจ้าจะสั่งสอนเพราะปีติเขาท่วมทับพระพุทธองค์บอกว่ายังไม่ใช่โอกาสภายยะยังไม่ใช่โอกาสขณะนี้บินทบาทพระพุองค์ก็ไม่แสดงธรรมเดินต่อ ภายะจะยินอย่างนั้นปีติของพาหยะจะลดลงอวบเลยนะแต่แต่ก็ยังมีอยู่พอเดินไปถามอีกขอฟังอีกพระพุทธองค์ก็บอกว่ายังยังไม่ใช่โอกาสภาหิยะอะ่ทีนี้จิตใจลดอวกลงอีกปีตินะ น, นะจนเป็นกิติปกติจิตอ่เป็นปกติของจิตพร้อมที่จะฟังได้ทุกอย่าง พร้อมที่จะสังเกตพร้อมที่จะคิดติดตามที่พระพุทธองค์พูดเรื่องอะไรพร้อมที่จะฟังได้พอการประนัตินาครั้งที่สขอพุทธองค์แสดงธรรมให้ข้าพระองค์ฟังด้วยเธอพุทธองค์ก็เออเอาตั้งใจฟังเราจะพูดให้ฟังตั้งใจฟังนี่แหละฟังนะั่นจะดีวะพุทธองค์พูดยังไงพุทธองค์บอกว่าเยธรรมมาเหตุท ah e ah ัพวะเรื่องทั้งหลายเกิดจากเกต ดูที่เหตุรู้แจ้งที่เหตุดับลงที่เหตุปล่อยวางที่เหตุนั่นแหละความผุดพ้นจะเกิดจากที่นั่นพระพา ย, ยะได้ยินเพียงแค่นั้นเหตุคืออะไรทุกสิ่งทุกอย่างออกมาจากใจทั้งหมดถ้าไม่มีใจเป็นต้นเหตุแล้วสิ่งภายนอกมันจะไม่มีเรื่องราวทั้งหลายก็จะไม่เกิด พราะนั้นท่านรู้ที่เหตุคือต้นเหตุของเรื่องทั้งหลายทั้งปวงคือใจเพราะว่าท่านเคยปฏิบัติมาแล้วหยุดผลยอดเขาเท่าไหร่แต่ไม่รู้จักวิธีการแก้แต่พอได้ฟังคราวนี้เป็นการสืบเนื่องมาตั้งแต่อดีตชาติพอได้ฟังเท่านั้นละ่ะเข้าใจทันทีปล่อยวางที่ตัวผู้รู้ปล่อยวางที่ใจเพราะท่านได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์ในขณะนั้น พระพุทธเจ้าพูดให้ฟังเข้าใจเพียงหท่าสามบาทพระคาถาท่านได้สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์ในเมื่อสําเร็จแล้วอท่านก็หาบริขารไม่ได้พระพุทองคออ์ไปสวดแสวงหาบริขาร น, นะพาหิยะนะจากนั้นพระพุทองค์ก็เดินบินทบาทตโตนี่ละเพราะนั้นพวกเราฟังได้ได้จินได้อย่างม่าพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างไง พาหยะที่ท่านได้สําเร็จพปรารหันน่ะท่านสอนเพียงเท่านี้แหละท่านได้สําเร็จแล้วแล้วพวกเราฟังได้สําเร็จด้วอย่งางทางวายังไม่ได้สําเร็จก็แสดงว่าพวกเราเนี่ยังไม่ใช่พวกกิบปะิญญาเข้าขายพวกทันทาพิญญาเหมือนนั้นแต่พวกรู้ได้ช้าเพราะนั้นต้องพิจารณาต้องภาวนากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกให้มีสติจากนั้นก็พิจารณาร่างกาย ตัวเองซะก่อนนี่แหละให้พวกเรารู้ว่าเราเป็นทันธาลิคิปปิญญาท่านรู้อะไรตัดสู้ได้เร็วนั่นแหละพวกคิปปปิญญาทางวารู้ได้ช้าในพวกทันธาปินยาเพราะนั้นพวกเราเนี่ยให้ตั้งอกตั้งใจนะอันนี้ก็คือให้ภาวนาเรียงตามลำดับศีลสมาธิจากนั้นก็พิจรารณา แต่บางคนเขาก็ถามว่าเมื่อคืนเนี่ยท่านอาจารย์ให้พิจารณาร่างกายพิจารณาโครงกระดูกเป็นหลักหรือว่าบางวระท่านอธิบายว่าให้แยกส่วนแบ่งส่วนของร่างกายจำเป็นไหมอย่างฉันเนี่ยเรียนทางหมอมาก่อนรู้จักกายวิภาคทั้งหมดในร่างกายนี้คืออะไรไม่ต้องไล่เลียงเพียงหลับตาก็รู้ทั้งหมดร่างกายของเราในคืออะไร จะพิจารณาใหม่เพราะอีกอย่างหนึ่งเราก็อายุแก่มากแล้วเรื่องกา ร, รมไม่กิเลสทั้งหลายเราก็ผ่านมาแล้วไม่ได้หนักใจเพราะมันผ่านมาแล้วอายุถึงขนาดนี้แล้วคล้ายๆกับกมันพอแล้วมันอิ่มแล้วว่า ง, งั้นจําเป็นจะต้องพิจารณากระดูกไหมจําเป็นจะต้องพิจารณาร่างกายไหมอันนี้ก็คือคําถามในวันนั้น หลวงพ่อก็ตอบไปว่าตามที่จริงเรื่องการมกิเผลเนี่ยมันมีส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดส่วนหยาบก็อย่างที่พวกเรารู้เห็นส่วนกลางก็นอกจากนั้นลงมาก็คือทรัพย์สมบัติเพื่อนฝูงสามีพัญญาเอ่ อ, อ, อพวกลูกพวกหลานความ รักความชอบความเมตตามันก็คือตัวความรักตัวนี้คือตัวกิเลสตัวนี้จากนั้นตัวละเอียดลงมาก็เครื่องใช้ของสอยต่างๆที่เป็นที่ถูกอกถูกใจจนถึงกับอารมณ์ที่เกิดมาจากใจสิ่งพอใจสิ่งไม่พอใจสิ่งที่พอใจนั่นก็คือกิเลสตระกูลของราคะ เพราะนั้นการพิจารณาร่างกายเนี่ยเมื่อเห็นร่างกายเป็นดินน้ํำลมไฟร่างกายเป็นก้อนถุกร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเราในเมื่อเห็นร่างกายด้วยปัญญาจริงๆไม่ใช่เห็นด้วยสัญญาและสังขารความปรุงเท่านั้นถ้าเห็นด้วยปัญญากับสัญญากัะมันต่างกันนะมันขนละเรื่องกันถ้าเห็นด้วยปัญญามันจะละเอียดอ่อนลึกซึ้งมันพร้อมที่จะปล่อยวางเห็นตามความเป็นจริง ถ้าเห็นด้วยสัญญาณเราเห็นเคยเห็นอย่างนั้นเออเคยเห็นกระดูกก็เห็นอย่างนั้นะแต่ว่าเห็นกระดูกตัวเองหรือพิจารณาล่างกายตัวเองเห็นจากตัวเองแล้วเหมือนกับความตายนั่นแหอถ้าเห็นคนอื่นตายก็ไม่เป็นไรแต่ตัวเองใจจะขาดหรือป่วยเข้ามานั่นหลักความรู้สึกมันจะเป็นยังไงมันแตกแตกต่างกันนะอันนี้ก็คือการเห็นมันไกลและเห็นส่วนตัวแต่ถ้าเห็นด้วยปัญญานี่ยยิ่งละเอียดลึกซึ้งกว่านั้นอีก อย่าพอเห็นด้วยปัญญาเห็นพร้อมที่จะปล่อยพร้อมที่จะวางวันนั้นเห็นร่างกายเห็นกระดูกของตัวเองเนี่ยกะโหลกศีรษะเป็นยังไงเบ้าตาเป็นยังไงกระโหลกศีรษะนั้นเป็นเป็นฟันฟันหยักหยักมันเข้ากันแอบเป็นสีผ้าสีเสียงแล้วเบ้าตาเป็นยังไงจมูกไม่มีเนื้อเป็นยังไงฟันไม่มีเนื้อติดเลยไม่มีหนังผุ่มเป็นไงไม่มีเนื้อเลย ฟันขากรรไกรข้างล่างไปยังไงลงมาคอไปยังไงนี่แหละให้เราพิจารณาถึงทุกส่วนของร่างกายเมื่อพิจารณาแล้วจุดไหนที่เราเห็นชัดด้วยปัญญาเราก็กําหนดหรือจดจ่ออยู่ในจุดนั้นจุดนั้นที่พูดเมื่อคืนที่แล้วอันนี้ถ้าว่าเราเห็นร่างกายทุกส่วนมันเป็นสภาพอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นเมื่อตายไปแล้วก็อย่างสีน้ำมิอย่างนี้ถ้าทั้งโลกตายทั้งโลกเป็นอย่างนั้น ไม่มีใครเก็บไม่มีใครใเอามาจุดมาเผามันก็สัตว์สาหลายสิง่งอีแรง้งอีกาพวกหนอนพวกบดถึงไปหมดพวกหมูหมาอะไรมันกรกัดกินกระดูกของเราไปหมดไปถึงไปคนละทิศทางจากนั้นก็เน่าตุ่มเป๊ะลงจู่แผ่นดินไปสู่เป็นโครงกระดูกดินไปสู่ดินน้ําไปสู่น้ําลมไปสู่ลมไฟไปสู่ไฟ ร่างกายของเราเป็นอย่างนั้นในเมื่อเห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นขนาดร่างกายตัวเองยังไม่ใช่ของตัวเองจะไปยึดมั่นถือมั่นในส่วนอื่นได้อย่างไรเพราะฉนั้นท่านจึงให้สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาร่างกายถ้าไม่หลงกายแลือจะไม่หลงอย่างอื่นถ้าหลงกายแล้วจะหลงไปหมดทุกอย่างเพราะฉนั้นเรื่องร่างกายนยควรพิจารณาไม่ว่าระดับไหนเพราะกิเลสมันส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดมันอยู่ในจิตใจของเราเพราะนั้น ที่เราพูดพิยานาการเนี่ยคือส่วนหยาบแต่ส่วนจิตใจนั้นเราจะต้องเมื่อเห็นส่วนหยาบแล้วก็เห็นส่วนกลางนั้นมันจะขยับมาเห็นส่วนละเอียดความนึกคิดของจิตใจคิดไปในทางราคะหรือคิดไปในทางโทสะมันคิดไปในทางไหนเราจะได้สังเกตรู้ได้ถ้าเราเห็นสิ่งภายนอกของหยาบหยาบได้แล้วขยับเข้ามาสู่ภายในใจของเรา รการพิจารณากายสมควรอย่างยิ่งกับทุกคนแต่เราจะพิจารณามากน้อยอยังไงแค่ไหนเท่านั้นแหละแต่ถ้าหากว่าบางคนไม่ถูกกับจิติ์ก็มีที่พระพุทธเจ้าท่านแนะนําสั่งสอนเอาดอกบัวให้บงังเอาผ้าเช็ดหน้าให้บงังแต่มีน้อยอันนั้นเป็นหน้าที่ของพุทธไม่ใช่วิสัยของภาษาวกที่จะสอนเป็นวิสัยของพุทธที่จะต้องแนะนํา แต่จะทํำยังไงได้ทุกวันนี้เราไม่ได้เกิดในครั้งพระพุทธเจ้าจะหาพระพุทธเจ้าที่ไหนที่จะมาสอนเรามีแต่ครูบาอาจารย์กับเราสอนเราตอนนั้นอ่ะเราก็ต้องพิจารณาตัวเองว่าการพิจารณาอย่างไรมันจึงจะเหมาะสมพระพุทธเจ้าที่ท่านวางไว้เหล่านั้นกับท่านก็วางไวใ้ให้เป็นแนวแถวสําหรับพวกเราจะต้องประพฤติปฏิบัติการรวยมากก็คือให้เห็นอ น, นิจจังของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อ น, นัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราคือไตรลักษ ให้น้อง ม, มาสู่ใจรักนั่นเองจะเห็นอะไรก็ตามให้น้อง ม, มาสู่ไตรักอันนี้จังของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนาตามไม่ใช่ตัวตนของเรานี่แหละเอการพิจารณากายมาถึงจุดนี้อย่างนี้เราก็มีคนถามอีกว่าทําไมคนเราจึงเป็นทุกข์ทาไมจึงสายแสหาจึงมีแต่ความทุกข์ทุกกายทุกใจ หลวงพ่อก็ตอบว่าคนที่มีความทุกข์นั้นคือจิตใจส่งนอกจิตใจส่งไปหาสมุ ท, ทยัยเมื่อจิตใจส่งไปหาสมุ ท, ทยัยทุกข์มันก็เกิดอถ้าว่าไม่ส่งจิตออกไปข้างนอกจิตใจใจอยู่กับตัวเองตั้งอยู่ในความสงบมันก็ไม่ทุกข์ถึงจะทุกข์มันก็ไม่ทุกข์ ม, ก ม, กมากแต่ถ้าว่าเราคิดปรุงพุ้งออกไปข้างนอก ไปเห็นไปเจอเรื่องต่างๆแล้วก็นํามาคิดมีแต่เรื่องทุกข์นะมีแต่เรื่องกุ้มรุ่มหัวจิตหัวใจนั่นแหละ เ, เพราะฉนั้นเราอย่าไปส่งจิตออกนอกสิปล่อยวางซะถ้าว่าปล่อยวางได้แล้วก็จบนะถ้าเรายังไปคิดใส่แจะเวียงเท้าหาน้ําเวียงเท้าหาเสียนอย่างนั้นเสียนมันก็ปักไปสิเพราะนั้นเราจะไปส่งออกนอก นี่แหละอันนี้ก็คือพูดทางนั้นท้งนี้ก็เพื่อให้มาเปรียบเทียบกับพวกเราท่านทั้งหลายการปฏิบัติจะทำยังไงจิตใจของเราจะเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งได้อันนี้แหละคือจุดใหญ่สมาธิเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างยิง่งคือเบื้องต้นศีล ส, สมาธิปัญญาเมื่อจิตของเรากิดสงบเป็นพื้นฐานดีแล้ว นำมาพิจารณาทางด้านปัญญาจะเห็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นร่างกายสังขารจากนั้นก็ด่งเข้าไปสู่จิตใจแต่วันนั้นหลวงพ่อก็ได้พูดว่านี่นะ เ, เมื่อพิจารณาเห็นร่างกายตัวเองไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วเราก็พิจารณาถึงจิตคือตัวผู้รู้เมื่อจิตผู้รู้แล้วก็ปล่อยวางเห็นตัวผู้รู้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา พอมาพูดถึงจุดนี้เขาก็งงเหมือนกันเขาบอกว่าแล้วเมื่อทำอย่างนั้นจะพิจารณากายมันจะเห็นได้ยังไงในเมื่อปล่อยวางอย่างนั้นแล้วเ อ, อหลวงพ่อก็เลยงง เ, ออเราพูดลึกเกินไปวะเราพูดลึกเกินไปเขายังไม่เคยพิจารณาถึงใจเขายังไม่ถึงนามธรรมสมาธิเขายังอยู่ในกายอยู่เราจะพิจารณานถึงนามธรรมแล้วนี่ มันคนละเรื่องกันแล้วอ้าวขออธิบายให้ฟังให้ทำความเข้าใจว่าร่างกายกับใจนี่เป็นคนละส่วนกันเป็นคนละอันกันเหมือนกับจานเนี่ยเราก็เอาจานมาวางไว้แล้วก็แก้วน้ำเนี่ยมาตั้งอยู่บนจานร่างกายในยเหมือนเหมือนจานแก้วน้ำาน่คือใจคือน้ำธรรมอันนี้พวกเราคงจะพอเข้าใจ ใจกับกายเนี่ยไม่ใช่อันเดียวกันแก้วกับจานเนี่ยไม่ใช่อันเดียวกันจานก็คือจานแก้วก็คือแก้วมันไม่ใช่อันเดียวกันแต่มันอยู่ด้วยกันอาศัยกันอยู่กายกับใจเหมือนกับคนขับรถกับรถอย่างนั้นอาศัยกันก่อนรถจะไปได้ก็ต้องอาศัยคนขับถ้าคนไม่ขับไม่ประทัดเครื่องรถมันก็ไปไม่ได้่อันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละใจเนี่ยก็คือ ผู้ที่สั่งกายท่านว่าใจเป็นนายกายเป็นเบาวแต่นักวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์การแพท ь, ย์ยังได้ถึงแต่สมองสมองคือความคิดที่สั่งการสั่งงานลงไปให้ร่างกายทุกส่วนทําการทํางานเรื่องต่างๆกระดุกกระดิบกดดยกแข้งยกขาทานอาหงอาหารอะไรก็ตามสมองเป็นคนสั่ง อันนี้คือหลักวิทยาศาสตร์หรือหลักวิชาการแพทย์แต่หลักของพระพุทธศาสนาท่านยังลึกเข้าไปกว่านั้นอีกท่านวัดใจเป็นคนสั่งสมองสมองเน่เหมือนกับคอมพิวเตอร์เหมือนกับรถสมัยทุกวันในรถที่ทันสมัยของเขาเขามีสมองกลอยู่ในรถถ้าว่าเจ้าของรถไม่สตาร์ทเครื่องแล้วไม่กดชวิตไม่กดให้รถทำงานรถคณนมันก็ทำงานไม่ได้ มันต้องอาศัยคนเข้าไปกดอันนี้ผ็เหมือนกันสมองมันก็อยู่สมองแต่ถ้าว่าใจของเรามไม่เข้าไปใช้ไม่เข้าไปบังคับไม่เข้าไปยึดถือสมองตัว น, นั้นก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้าว่าใจของคนเราออกไปแล้วเออจิตวิาใจหยุดเต้นอย่างนี้สมองมันจะดีขนาดไหนก็เถอะมันก็ทํางานไม่ได้เ อ, อพราะรถมันเสีย อ, อคนที่ขับรถมันก็ทําอะไรไม่ได้เพราะรถมันเสียถึงจะรู้ทั้งรู้ว่า เราเป็นคนฝีมือชั้นหนึ่งแต่รถมันเสียแล้วรถมันติดขัดคนขับรถก็ต้องอยู่ไม่ได้ต้องเพนออกจากรถเขินอยู่อย่างนั้นรถมันเสียแล้วมีแต่ความร้อนอบ อ, าอ้าวอยู่นั้นรถก็มีแต่จะผุพังไปเรื่อยๆอเพราะนั้นพวกเราให้เข้าใจกายกับใจอาศัยกันอยู่แต่ไม่ใช่อันเดียวกันทีนี้เมื่อเรารู้ว่าไม่ใช่เราร่างกายไม่ใช่เราคือไม่ใช่ใจ ใจไม่ใช่กายกายไม่ใช่ใจเนะีเราต้องแยกออกอย่างนั้นแล้วนะทีนี่เป็นสองรูปประธรรมและนามธรรมรูปประธรรมคือร่างกายนามธรรมคือจิตใจเราแยกออกเป็นสองรูปประธรรมกับ น, นามธรรมนามธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าที่ท่านเน้นหนักสั่งสอนเนี่ยสมควรอย่างยิ่งที่จะอบรมคือนามธรรมท่านไม่ได้อบรมเรื่องกายนะเรื่องกายมันเป็นปลายมือใช่แล้วเป็นลูกน้อง ส่วนจิตใจนเป็นหัวหน้าพระพุทธเจ้าท่านเน้นหนักเรื่องใจมโนภุพังเข้มาทำมารร ม, มโนเสถามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้ว้วยใจเพราะดันพระพุทธองค์ท่านแนะนำสั่งสอนคือแนะนำใจสอนใจใจนึกคิดเรื่องอะไรใจของเรามันสายแสไปถึงไหนใจของเรามันปูงฟุ้งซ่านไปอย่างไร ใจของเราหนักไปทางไหนกิเลสราคะกิเลสโทสะหรือกิเลสโมหะนี่แหละทีนี่ในเมื่อสมาธิเราดีเราพิจารณากายปล่อยวางพิจารณาขี้คลายกายแล้วมันก็ต้องครื่งเข้ามาหาตัวผู้รู้ตัวจิตตัวใจอตัวใจนึกคิดเรื่องอะไรขณะนี้เดี๋ยวนี้มันไปทางไหนเพราะฉนั้นท่านจึงว่ า, าทํากายให้ตรงดารงสปีชพ่อหน้ากําหนด ดูใจของตนเองถ้าว่าเรามาสู้กับใจเนี่ยเอถ้าคนไม่รู้จักสู้นั่นแหละมันคิดทั้งวันทั้งคืนเออระเหยลอยลมวา้าหวีอ้างว้างจนน้ําตานองหน้าร้องไห้ผมไม่รู้จักว่าอันนั้นคือใจหลอกตัวเองไม่รู้ว่าใจมันป่งฟุ้งไปแล้วแต่ถ้าว่าเรามีสติเราจะรู้ได้เอออันนี้มันใจออกว่ะใจมันคิดป่งฟุ้งสาดเอออันนี้คือใจมันหลอกตัวเองอันนี้มันใจมัน มีกิเลสเข้ามาราคะโทสะโมหะเข้ามาแล้วนี่เราจะรู้ได้ถ้าเรามีสตินะถ้าเราไม่มีสติก็อย่างวานากิเลสมันลากถูไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยพอในสุด ต, ตายแล้วเกิดเกิดถ้าตายก็ยังไม่รู้เรื่องเพราะนั้นที่พวกเราฝึกหัดนี่ก็ให้มีสติจากนั้นก็พิจารณากายเป็นหินรับปัญญาในเพื่อนพิจารณากายแล้ว อย่างเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าที่จะเอาจริงๆทำขั้นสูงสุดอนิจจังทุกขังอนัตตาจริงๆกระจอกเข้ามาตัวผู้รู้คือใจนั่นแหละ เ, เห็นใจตัวเองแล้วก็ปล่อยวางที่ใจเยธรรมาเหตุตัาวาที่พระพุทธเจ้าสอนท่านพระภาหิยะธารุจริยานี่แหละคือจุดนี้แหละเป็นจุดใหญ่เป็นส ม, มรภูมิและเป็นที่ตรมบอน กิเลสกับธรรมนะถ้าว่าเรามีธรรมเหนือกว่ากิเลสมันก็แตกกระจุยกระจายออกจากตัวนี้แหละซักฟอกซักล้างออกหมดล้างออกหมดราคะโถสะโมหะมีแต่จิตใจบริสุทธิ์หลุดพ้นปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นต่างคนต่างอยู่รู้หน้าที่ของใครของเราไม่เข้ามาก้าวไกลซึ่งกันและกันเยธรรมาเหตุทปวา เรื่องทั้งหลายเกิดจากเหตุดับที่นี่ก็จบนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรมังศูนอย่างนิพพานศูนย์ศูนย์เชื้อของมันกิเลสนาคาะตูสะศูนย์ออกไปจากจิตใจแล้วมีแต่ความบริสุทธิ์ไม่มาก่อขวนไม่มากับเพิ่มอีกแล้วกิเลสทั้งหลายทั้งพวกนี่แหละจะว่าอะไรต่อไปหรือไม่ว่าอะไรก็คือจบเป็นจิตเป็น อมะตะธาตุอมะตะธรรมล่ะท่านนี่เพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายธรรมะคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่มีจุดจบมีที่ไปมีที่มาถ้าการกรองดูให้ลีแล้วมีต่เหตุกับผลมีเหตุมีผลมากเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายตั้งอกตั้งใจนะภาวนาถึงจะไม่ถึงขนาดนั้นก็เถอะใกล้ฟังเอาไว้เพื่อเป็นแนวแถวเป็นแนวความคิดของพวกเราท่านทั้งหลายอีกสักวันหนึ่ง พวกเรามีความพยายามมีความมุ่งมั่นมีความตั้งอกตั้งใจอยู่ก็คงจะถึงจุดหมายปลายทางอย่างที่พระพุทธองค์แนะนำอย่างพระสาวกที่ท่านพ้นทุกข์ในวตาสงสารก่อนพวกเรามากตัวมากพวกเราอยู่สุดท้ายปลายแดนก็พยายามตะเกียกตะกายเดินตามแนวแถวที่พระสาวกทั้งหลายเหล่านั้ น, นการพูดในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควร ขอจบเท่านี้แล้วตอนนี้ไปนั่งสมาธินะที่นี่นะ